ตามตามตามตำรานั้นมีผิดกันอยู่นั่งคือเทศตามตำราเราคอยฟังคอยจดจำคนมากกันเทศเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ปจนศรัทธานยอธิบายศรัทธา้วจนเป็นสายยาวเหยียบเห็นวิิยะความเพียนเพี้ยัง่ายบ้างหรือบาใหจ้จนกินหนึ่งแ้นหนึ่งนี้จบ เรียกว่าจะได้กันนี่จิตก็ต้องติดตามปาาไปหรือไงมียกตัวอย่างเช่นศรัทธาริยะเป็นต้นมันก็เป็นกันนะที่นี่จิตมันก็ไม่ค่อยจะได้ปราบกดผลในขณะที่ฟังอะไรนะ ในข้างทุตธการท่านแสดงธรรมท่านังให้ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือนําไปข้อนำไปเป็นข้อคิดเพื่อรูเพื่อปฏิบัติในส่วนที่คุนปฏิบัติในวาระต่อไปด้วยที่ท่านแสดงตากวดผลประจักษ์ก็เข้ากับหลักธรรมที่ท่าน ว่าการแสดงทำได้รับอ น, นิสงฆ์ห้าอย่างคือได้รับผลห้าประการด้วยกันคือผู้ผู้ฟังธรรมย่อมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนีเป็นข้อข้อที่สองสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัด ข้อสามจะบันเทาความสงสัยใชยได้คือเราเคยข่องใจในเรื่องอะไรๆลายนี่เวลาท้านอธิบายไปเกี่ยวเื่องกับสิ่งนั้นๆนที่เรากำลังข่องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อสี่จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้คือความเห็นตามธรรมดามันเฟร์ปีงเปลียวก็หลับทำอยู่เสมอแล้วเ่าจะทำความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้ ในสีข้อนี้ก็เป็นขแขนงของข้อที่ห้าซึ่งเป็นข้อสำคัญห้าจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนีเป็นหลักสำคัญมากเป็นความําเป็นอย่างยิ่งในการฟังธรรมพือจิตที่จะผ่องใสได้จิตต้องมีความสงบในขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากอารมณ์ธรรมที่ ท, ท่านกำลังแสดงเข้าไปสัมผัส ภาจิตใจของของเราแล้วรับรู้กันโดยเฉพาะเฉพาะเฉพาะพในขณะนั้นจิตทาหน้าที่อันเดียวมีความรู้สึกมีความรับรู้อยู่กับบทธรรมที่ท่านแสดงไม่มีอารมณ์อะไรเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีความผ่องใสขึ้นภายในตัวเองจิตที่ไม่สงบก็หาความผ่องใสไม่ได้ยิ่งจิตวุ่นวายมากมายเท่าไรก็ยิ่ง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 สร้างความรู้สึกไว้ภายในตัวของเรานี้ไม่ว่าจะให้อยู่ในจุดใดก็ตามไม่สําคัญสําคัญที่อยู่ในตัวบกของเราเป็นความรู้สึกอยู่กับตัวนิเชื่อตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเพื่อรับธรรมในขณะที่ท่านแสดงเมื่อเราตั้งจิตไว้เช่นนั้นไม่ไปคาดไปหมาย ไม่เปปรุงไปแต่งเรื่องอะไรหรือ ท, ท่านจะเทศเรื่องอะไรดังนี้มีความรู้อยู่โดยเฉพาะแล้วเรากำลรับเอาโดยเฉพาะเฉพาะในขณะที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องปฏีความหมายอะไรมากมายกัดกรองในขณะที่ฟังจิตย่อมได้รับความสงบจิตที่มีความสงบย่อมเป็นความสุขขึ้นในขณะที่ฟัง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 นิโรธคือการระงับดับความกวนก歪และทุกข์ทั้งหลายเสียได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามนี้ในสี่อย่างนี้นีอยู่กับทุกคนเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องทุกข์กับสมุทยนี้เด่นมากในสัตว์ในบุคคลเพราะยังไม่มีช่องทางไม่มีอุบายไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกได้ ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ถือศาสนากับผู้ไม่มีศาสนาประจำตนเลยนี่แม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็าตามความได้เปรียบเสียเปรียบจะผิดกันอยู่มากมายก่ายกองคําได้เปรียบคืออย่างไรผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจนี้จะมีทำเป็นเครื่องยึด พราะใจก็ต้องมีที่พึ่งร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเรือนกายเรือนใจเรือนกายได้แจกสิ่งอาศัยภายนอกเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่องนุ่งหม่มเหล่านี้เป็นต้นเป็นที่อาศัยของใจส่วนธําคือคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์หรือเป็น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 กายและทั้งของใจด้วยใจจึงมีความสนใจไปกับด้านวัตถุโดยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้วัตถุพาเจริญก็จิตใจก็เข้าใจว่าเจริญวัตถุพาเสื่อมจิตใจก็เสื่อมโลกจะเจริญก็หมายถึงวัตถุมีความเจริญขึ้นเช่นตกรามบ้านช่อง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 เพียงเกิดความดือดร้อนวุ่นวายมากกับคนที่มีธรรมภายในใจคนนิ่ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดภายในใจเพราะใจไปอยู่กับวัตถุใจไปอยู่กับโลกโลกภาจเจริญก็จเจริญโลกภาเสื่อมก็เสื่อมคือวัตถุภาจเจริญก็จเจริญสังคมพาจเจริญก็ว่าจเจริญสังคมจะเดือดร้อนเพื่ออะรก็ตามเมื่อสังคมนิยมอย่างนั้นก็ถือว่าโลกจเจริญทั้งๆที่เดือดร้อนอยู่ด้วยครับสังคมที่ลกนิยมนั่นแหละ เพราะความนิยมกันนี่มันนิยมได้ทุกแง่ทุกมุมอะไรแล้วก็ตามนิยมกันได้หมดเพราะแต่ความชอบใจมีในอันใดอันนั้นจะดีไม่ดีไม่คำหนึ่งถือเป็นความชอบชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องความวัตถกเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็หาหลักยึดไม่ได้ตลอดไปจะเป็นคนรู้คนฉลาด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 ส่วนเราจริงๆมองไม่เห็นพ่อไม่ได้สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจให้ยจึงเจริญก็เจริญแบบลอยๆแบบตามความต้องกานมันหมายไปเฉยแต่เวลาความเสื่มมันเสื่อมจริงๆเสื่อมพภานจิตใจเกิด ค, ความวระด้อนจริงๆจนกระทั่งผลสุดท้ายเอาตัวไปไม่รอดหาหลักยึดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนพัตุสิ่งของเงินทองก็เลยกลายวุ่นไปตามากันกับใจที่วุ่นดวงนั้น นี่ผิดกันอย่างนี้คนที่มีศาสนากับคนไม่มีศาสนาผิดกันที่ตรงนี้ทีเราแยกออกมาถึงคนที่นับถือพุทธศาสนาจะพ่ อ, อย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีกิจตภาวนาเป็นต้นแทแตกต่างกันอยู่มากมายกลากองกับผู้ถือศาสนาทั่ ว, ว, วไปและผู้ไม่ถือศาสนาเลยเพราะเหตุใดเพราะศาสนาท่าน ส, สอนหลายชั้นหลายภูมิ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 ตัวจริงไม่ได้มีผิดกันที่ตรงนี้อันนี้การบำเพ็ญทางจิตใจที่เรียกวัสรณะเข้าไปโดยลำหนักในเบื้องตน้นเราก็กำหนดภาวนาดังที่ว่านี้เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเพื่อใจจะได้ยึดทำนั่นเปนอารมณ์แล้วปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในขณะที่บำเพ็ญภาวนาที่ท่านเรียกว่าใจสงบพอใจสงบแล้วก็ ปรากฏเห็นความแปลกปราหลาดภายในใจของตนเองในขณะที่ใจสงบเพราะความสงบของใจก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าใจหายยุ่งซึ่งเคยยุ่งมาแต่ก่อนด้วยอารมณ์ต่างๆในขณะนั้นมันมีอารมณ์ครอบอะไรเข้ามารบกวนใจเลยมีแต่ความสงบแน่วแน่แล้วปรากฏเป็นความสุขเย็นใจอ่อนโดนขึ้นภายในใจิตใจของตนนี่เป็นเครื่องสดุปใจอันหนึ่ง ที่จะให้พูดพูดได้รับผลจากการภาวนาของตอนนั้นมีแก่ใจมีความกระยิน ม, มีความดุดดื่มในอันที่จะบาเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลาดับถึงนี้ความภาคเพียรก็ย่อมมีขึ้นไปโดยลาดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากได้เห็นผลเป็นสำคัญใจก็ได้รับความสงบถูก เย็นขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏเป็นตัวของตัวขึ้นมาเรื่อยๆต่างจากด้านวัตถุนะแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่พ้าตามกจกับร่างกายจะไม่เป็นอันเดียวกันเลยในความรู้สึกเด่นชัดขึ้นโดยลำดับว่ากายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งในขณะที่ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านวุ่นวายกายก็เป็นกายอยู่เช่นนี้ แต่เป็นอาการของจิตที่แสดงตัวขึ้นมาในทางที่ไม่ดีก็พยายามแก้ไขความไม่สงบของใจซึ่งเป็นความวิปริบผิดปกติธรรมดาจนกระทั่งจิตก้าเข้สู่ความสงบได้ก็เห็นชัดเจนว่าความกำเนิดของจิตเป็นเช่นนี้การระงับดับความกำเนิดได้ด้วยบทธรรมด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏเป็นความสงบ ส, สงบส ข, ขึ้นมาเพราะวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้ หนียอมเห็นได้ชัดหนีเป็นขั้นหนึ่งหนึ่งที่อธิบายมาถึงเรื่องศรัทธาของจิตคือจิตสร้างที่พึ่งสําหรับตัวเองพูดง่ายๆพูดกันอย่างนี้สร้างที่พึ่งภายนอกก็ได้สร้างเต็มทตติกําลังความสามารถมาโดยลําดับเช่นสร้างบ้านสร้างเมือนตึกรามบ้านช่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยปจัจจัยรายรหามาเพื่อบำรุง รักษาร่างกายให้เป็นไปตามความจําเป็นที่ท่านต้องการซึ่งมีอยู่ทั่วโลกดินแดนจะลีดเว้นกิจการงานนี้ไปไม่ได้มีเป็นความจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ความจําเป็นที่เกี่ยวกับด้านจิตใจก็บําเพลิดังที่กล่าวมานี้ใจก็ได้สั่งสมความดีอันเป็นสาระของตนขึ้นโดยลําดับๆจนกระทั่งสาระสําคัญกับใจนั้นแยกกันไม่ออกปรากฏได้อย่างชัดเจนวันนั่นเป็นนั่นนี้เป็นนี้จิตเป็นจิตน่ะ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 ฐานเฉลียวฉลาดรอบตัวทันกับอาการของอิจที่แสดงออกจะไปหลงในแง่ใดมุมใดแม้ที่สุดความคิดความปรุงของตนหลอกลวงตนด้วยวิธีใดก็ทราบก็ใช้สติปัญญาตามต้นหรือแก้ไขความปลอมๆของสังขารคือความคิดครุงต่างๆหรือสัญญาความหมายต่างๆอันเป็นเรื่องหลอกลวงตนเองนั้นให้หายไปโดยลําดับลําดับ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 ขึ้นมาโดยลําดับตามครูอาตามาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนและตามวิธีการของเราที่เคยบาเพ็ญมาเราก็มีทางทราบได้โดยลําดับนั่นแหลเพราะฉะนั้นเรื่องขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาทังขาันมีญาณนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่จะแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันตามที่มันมีจริงอยู่โดยลําพั ง, งมันเองนอกจากเราไปยึดถือมันเท่านั้นให้เห็นอาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้น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 สัญญาจะสำคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนว่าอันไหนเป็นเรามันก็แก้กันด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกั น, นสุดท้ายสังขารที่ปรุงขึ้นมาเจ็บที่นั่นที่นี่มันก็ไม่มีพิษมีสงสัญญาที่หมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีพิษมีสงเพราะสติปัญญาครอบหัวมันอยู่แล้วเนี่ยวิ ญ, ญญาณก็เพียงรับราบเทนั้นมันก็ดับไปดับไป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 หลักให้จใจจิตใจอันไหนที่เป็นสินจอมปลอมจะมีมากน้อยเพียงใงแทรกสินอยู่ภายในใจปัญญาสามารถแยกแยะคลี่คลายออกได้หมดโดยลําดับอันดับตามอํา น, นาจของสติปัญญาที่มีกําลังไม่หยุดยั้งในการคลี่คลายในการแยกแยะสุดท้ายก็กระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดที่จะแทรกสิมจิตใจได้แม้แต่จิตแท้เองซึ่ง มีกิเลสอันสำคัญแทบอยู่ภายในนั้นก็ยังสามารถทราบได้อีกไม่เพียงแต่ขันห้าซึ่งเป็นของยำยาบเท่านี้แแต่จิตวิริยะที่ละเอียดที่สุดซึ่งไปนอนจมอยู่ภายในจิตไม่อาจที่จะมองเห็นตัวได้เลยปัญญาก็สามารถสอดแทบแยกออกได้จนไม่มีอะไรเหลือกระจายออกไปตามธรรมชาติของมันสติปัญญากันกรองออกให้หมดเหลือแต่จิตที่หมดจดบริสุทธ์ล้วน นั่นแหละคือที่พึ่งของใจอันเอกไม่มีอันใดที่จะเอกยิ่งไปกว่านี้แล้วเพราะพระพุทธเจ้าถึงทำขั้นเอกก็คือถึงทำขั้นนี้แหละขั้นที่ซาบฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเป็นมลทินทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งเหลือนี่แหละคือที่พึ่งอันเอกให้มีที่พึ่งใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนจิตที่ได้สร้างที่พึ่งให้ตนเองโดยหลักธรรมชาติ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 รวมตัวเข้ามาสู่ที่จิตใจเป็นเพื่อนแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นมนติมที่เรียกว่าบาป ท, ทั้งหลายออกหมดจากใจด้วยความดีทั้งหลายเหล่านั้นสุดท้ายก็เหลือแต่ความบริสุทดธดิล์ล้วนๆนะคำว่าบุญก็หมดปัญหาไปจริงคำว่าบาปก็หมดปัญหาไปเพราะใจเลยแล้วจากคำว่าบุญซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ดี และจากคำว่าบาปซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ี่ต่ำในทางที่ไม่ดีจิตหมุนตัวเป็นกลางเข้าถึงธรรมาชาติที่กลางเรียกว่ามัจจิมาในหลักธรรมาชาติอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัจจิมาปฏิปทาที่เป็นทางดำเลยนี่สุดท้ายกับปฏิวทาอันเป็นตัวเหตุมีสมา ธ, ธิเป็นต้นก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธ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 พุทธศาสนกชนบรรดาที่เป็นมุสุทั้งหลายได้นำประพินิพรณาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของตนคำว่าที่ขึ้นไม่ว่าจะขั้นใดก็ตามอันเกิดจากคุณงามความดีจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายที่ได้บาเพ็ญมาแล้วแต่ผู้เดียวไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนไปได้เป็นก็ตามตายก็ตามความดีอันนี้แลจะเป็น